กี่ชั่วโมงโยกับอนุสติกี่ชั่วโมงโยกับอสุภะกี่ชั่วโมงโยกับสติประธานได้กี่ชั่วโมงสามมาประธานอิธิบาทอินทรพละพ่อชงและองค์มรติแต่ละอย่างใจของเราโคจรอยู่ในสิ่งที่ดีและมีสาระได้มากไหมเนี่ยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราเองนี่แหละเป็นคนที่ทําลายตัวเราไม่มีใครทําลายเราหรอกชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่ถูกทำลายทําลายด้วยเจตนาที่ผิดพลาดทําลายด้วยเจตนาที่เป็นบาปและ คุณสนั้นจิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะสังวรที่สุดเป็นสิ่งที่เราควรจะรักษาที่สุดเลยโลกนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะรักษาอะไรที่สุดรักษาใจของเรานี่แหละให้มากที่สุดแต่การรักษาใจก็ต้องมีธรรมะเป็นเครื่องรักษาแล้วกาธรรมะมาเป็นเครื่องรักษาจิตธรรมะที่มาเป็นเครื่องรักษาจิตก็คือเนี่ยสติปทาสติปฐานเป็นต้นหรือพุทธานุสติเป็นต้นนั่นแหละเป็นตัวมารักษาจิตให้จิตเป็นไปกับ กุศลธรรมอยเริืมว่าคุณธรรมเหล่านี้เราเจริญได้เท่าไหร่นั่นคือสมบัติของเราในชาติต่อๆไปเราคิดดูนะว่าชาตินี้เราปลูกฝังตัวปัญญาให้แก่จิตเท่าไหร่ชาติหน้าเราบอกได้เลยว่าชาติหน้าควรจะฉลาดเท่าไหร่นะเพราะพวกนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ทางความคิดชาตินี้เราคิดด้วยปัญญาเท่าใดเนี่ยนะมันประกาศว่าชาติหน้าควรจะฉลาดเท่าไหร่เหมือนกันชาตินี้เจตนาที่จะให้มีเท่าใด ไม่ใช่เอาของที่ให้เป็นประมาณเอาเจตนาที่คิดจะให้เป็นประมาณเจตนาที่จะคิดจะให้มีเท่าใดนั่นแหละคือเอาไอาทบทวนใหม่เจตนาที่คิดจะเว้นจากการฆ่ามีเท่าใดอันนั้นประกาศเลยว่าชาติต่ อ, ต, อต่อไปอายุเรามันแค่ไหนคุณภาพของอายุเรานี่มันแค่ไหนเจตนาที่เว้นจากการลักทรัพย์กับเจตนาที่คิดจะให้มีเท่าใดอันนั้นเป็นตัวบอกเลย ว, ว่าโภกทรัพย์ของเราในอนาคตควรจะเป็นอย่างไร เจตนาที่เว้นจากการมีสุมิจฉาจาให้ความปลอดภัยในคู่ครองเป็นต้นแค่ไหนเจตนานั้ น, นบอกได้เลยว่าชาติหน้าเรามีคนชอบมากหรือชังมากมีคนเห็นใจเรามากหรือว่าคนชิงชังรังเกียจเรามากเจตนาที่เราพูดออกไปเนี่ยมันบอกได้เลยว่าชาติหน้าเราควรจะได้ฟังอะไรนะถ้าเราอยู่กับการทําใจให้ฉลาดหรืออยู่กับการทําใจให้โง้เขา ถ้าอยู่กับการทําใจให้โงกเขาด้วยหาสารพิษทั้งหลายมาทําใจให้มันโงกเขาก็แสดงว่าอนาคตของเราไม่ฉลาดแน่นอนอนะเพราะอะไรเพรา ะ, อะตอนตัวเองให้ถึงความโง่เขาเอาไว้แล้วนี่เราให้อาหารปัญญาหรือให้อาหารแก่ความโง่เขาเนี่นะเพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่จิตเมื่อมันอยู่ที่จิตเนี่ยนะจิตพวกนี้มันเป็นกับกระแสคลื่นมันเหมือนกับคลื่นเรียกว่าปัจจัยทุกความคิดเนี่ยนะคือการตั้งปัใจจัยให้ตัวเองใน อนาคตมันตัวเอในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ดูที่ความคิดในขณะนี้อนาคตจะดีจะเจริญหรือจะตกต่ําก็ดูได้จากความคิดขณะนี้เนี่ยนะแต่ละเวลาที่ไหลไปถ้าดูจากกุศลจิตในปัจจุบันดูจากอกุศลจิตที่มีอยู่ในปัจจุบันก็แท้พยากรณ์ได้แล้วว่าชีวิตต่อไปเนี่ยนะชาติต่อต่อไปหลายๆชาติต่อต่อไปเราควรจะเป็นอะไรเราควรจะเจริญหรือเราควรจะ เสื่อมเรามีมนุษยธรรมหรือไม่เรามีเทวธรรมหรือไม่เรามีพรหมวิหารธรรมหรือไม่เรามีอริยธรรมหรือไม่อันนั้นเป็นเครื่องบอกว่าอนาคตเราคือใครถ้าเรามีมนุษยธรรมอยู่ในใจของเราอนาคตอย่างน้อยที่สุดความเป็นมนุษย์เราก็ได้ถ้ามีเทวธรรมอยู่ในใจนั่นก็แปลว่าเราเป็นผู้มีคุณธรรมของเทวดาถ้าเรามีพรหมวิหารธรรมอยู่ในใจเป็นไปได้ที่เราจะเกิดใน พรมโลกถ้าเรามีอริยธรรมคือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาตอินทรีย์พละโพชงและองค์มัดเจริญตามอริยมรรคความเป็นพระเดียเจ้าของเราก็จะมีต่อไปในอนาคตมันเราจะสร้างความคิดเหล่าใดให้เกิดในปัจจุบันได้ผลผลิตในอนาคตก็บอกได้แล้วว่าควรจะเป็นอะไรเราก็คงไม่เข้าข้างตัวเองวิชาพุทธศาสนาเป็นวิชาที่เรียกว่า ไม่เข้าข้างผู้ใดไม่เห็นว่าใครเป็นบุตรเป็นภริยาเป็นสามีเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรไม่วัดกันที่คุณภาพของความคิดแต่การอุปการะเกื้อกูลกันก็มีอยู่แต่ไม่ใช่ว่าผู้ใดจะทำแทนกันได้ผู้ใดจะทำเผื่อกันได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเฉพาะตัวเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่เราควรให้คุณค่ากับความคิดของเราเองพัน้าหากว่าเราเนี่ยไม่ปลูกฝังจิตที่เป็นบุญ จิตที่เป็นกุศลจิตที่ดีและมีประโยชน์ให้กับจิตในขณะนี้หรือต่อต่อไปเรานี่แหละคือคนที่สาบแช่งตัวเองในอนาคตแต่ถ้าเราตั้งกุศลจิตเอาไว้ในจิตเอาไว้อย่างดีและมากมายเราคือคนที่ให้พรแก่ตัวเองต่อไปในอนาคตถามจริงๆว่าเราเนี่ยอนาคตควรจะสบายหรือควรจะทุกวิเคราะห์ตามเหตุผลตามหลักการทางความคิดกุศลจิตตลอดชีวิตที่ผ่านมา ชาติข้างหน้าหรือว่าชาตินี้ต่อต่อไปหรือชาติต่อต่อไปเราควรจะยิ้มรับหรือควรจะร้องให้รับเนี่ยนะบอกว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วต้องมีหน้าอาบด้วยน้ำตาสเสวยผลแห่งกรรมนั้นกรรมนั้นทำแล้วไม่ดีเลยเนไหท่านะ น, นเราก็คิดดูว่าเราควรจะร้องให้รับผลวิบตัติแต่และอย่างแต่และอย่างเหล่านั้นไหมทุกกายกรรมที่เราทำไปเราจะยิ้มรับหรือร้องให้รับ ทุกคำที่เราพูดออกไปเนี่ยนะเราจะยิ้มรับหรือว่าร้องให้รับรับเปื้อนน้ําตาหรือว่ารับแบบโสมนัสทุกความคิดที่เราคิดถ้ามันให้ผลทั้งโดยกรรมมปัจจัยและโดยอุปนิสัยปัจจัยเราพอใจไหมที่จะสวยผลแห่งกรรมเหล่านั้นซึ่งกรรมสโกมหิพระองค์บอกว่าผู้คนมีกรรมเป็นของของตนเป็นไปตามกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมทางอนิกรรมมะปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยล่ะ เราสร้างอัธยาศัยให้อะไรให้แก่ตัวเองในอนาคตทวนอีกครั้งหนึ่งว่าสร้างอัธยาศัยมนุษยธรรมหรือสร้างอัถยาศัยเทวธรรมหรือสร้างอัธยาศัยพรหมิหารธรรมหรือสร้างอัธยาศัยให้เป็นอริยธรรมนั่นนะสร้างอัธยาศัยเหล่าในให้แก่ตัวเองในอนาคตเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการตั้งอัธยาศัยสร้างอุปนิสัยพันที่เราศึกษาจริยาปิดกนี่ก็คงเห็นกันแล้วว่า คุณธรรมของพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า น, นะอย่างที่เราเรียนในจริยาปิฎกต้นๆคุณธรรมเหล่านั้นหมวดหนึ่งของท่านก็คือกรุณาความที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าได้เนื่องจากว่าท่านมีกรุณามีใจหวังปลดเปลื่องสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัฏฏทุกข์ถ้าจะนับหนึ่งเดียวเลยก็คือว่าทําชนไสัตว์อื่นจะพ้นจากทุกข์ช่วยให้คนอื่นพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรถ้าจะนับสองท่านเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านไม่สันโดษในกุศลและ ท่านไม่สันโดษในบุญและปัญญาไม่สันโดษในบุญและความรู้ไม่รู้จักเต็มจักอิ่มจักพอในบุญและความรู้พันธุบุญของท่านจึงไม่มีที่สิ้นสุดท่านเจริญบุญกุศลได้หลั่งไหลยิ่งกว่ากระแสแห่งแม่นม้ําอ น, กนะกุศลจิตของท่านเกิดมากยิ่งกว่าคลื่นในทะเลนกุศลจิตเกิดมากกว่าคลื่นในทะเลโดยระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกลับไม่ใช่น้อยไม่ใช่นิดหน่อยเลยและท่านมีปัญญาสะสมปัญญาอย่างไม่มีที่ ที่สุดเนี่ยนะท่านสั้นสะสมปัญญาท่านไม่เต็มท่านไม่อิ่มท่านไม่พอในเรื่องของความรู้ท่านไม่พอในเรื่องของบุญท่านไม่อิ่มในการให้ทานท่านไม่อิ่มในการรักษาศีลท่านไม่อิ่มในการเจริญภาวนาท่านไม่อิ่มในการเจริญเอ่อในการอ่อนน้อมเป็นต้นคือสรุปบุญกิริยาวัตถุทุกข้อท่านไม่เคยอิ่มขณะเดียวกันความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องท่านก็ไม่เคยพอมันสองอย่างนี่แหละที่ทําให้เป็น พระพุทธเจ้าผู้มีบุญและมีปัญญาหรือถ้าจะกล่าวอีกในหนึ่งท่านก็เจริญสุจริตทั้งสาท่านสุดจริตทางกายวาจาและใจท่านจึงคู่ควรที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านดํารงอยู่ในพุทธภูมิสี่ดำรงอยู่ในอธิฐานธรรมสดํารงอยู่ในสังขหวัตถุสี่ดำรงในสติปัฏฐานสี่เป็นต้นจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านดํารงอยู่ในอินทรี่ห้าดารงอยู่ในมหาบริจาคมห้า เหตุเหล่านั้นที่ทําให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องของการตั้งจิตตั้งจิตเอาไว้ในคุณธรรมเหล่าใดและคุณธรรมเหล่านั้นเติบโตยิ่งยิ่งยิ่งเขาเลยเรียกว่าผู้พระพุทธเจ้าผู้ได้อบรมกายแล้ว มีกายอันอ บ, บรมด้วยคุณธรรมทั้งหลายแล้วมีศีลที่ได้อ บ, บรมด้วยคุณธรรมทั้งหลายแล้วมีสมาธิมีปัญญาหรือว่ามีความคิดที่ได้รับการอ บ, บรมบ่มด้วยคุณธรรมมาเป็นอย่างดีเมื่ออ บ, บรมบ่มคุณธรรมคุณธรรมของพระองค์จึงเจริญขึ้นเรียกว่าผู้ฝึกต น, นนะผู้ฝึกตนได้สาเร็จก็คืออาศัยคุณธรรมทั้งหลายเป็นเครื่องกล่อมกล่าวจิตใจให้จิตใจเจริญเติบโตด้วย คุณธรรมเหล่านั้นยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปเนี่ย น, นะันท่านจึงมีเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยที่ถูกที่ดีจริงๆอัธยาศัยเพื่อกำจัดความโลภความโกรธและความหลงมีอัธยาศัยวิเวมีอัธยาศัยเป็นกุศลเนคขมมะอพยาบาท อนะอโลกสัญญามีอัธยาศัยที่จะกำหนดรรมมีอัธยาศัยในปราโมทมีอัธยาศัยในวิชามีอัธยาศัยในปฐมฌานเป็นต้นท่านจึงมีอัธยาศัยที่ดีท่านมีอัธยาศัยวิเวกแล้วก็มีนิสสารณัตอัธยาศัยมีอัธยาศัยที่จะนำตนให้พ้นจากวัฏฏะแล้วก็มีอัธยาศัยช่วยสัตว์อื่นให้พ้นจากวัฏฏะมีอัธยาศัยที่จะช่วยให้ผู้อื่นบรรลุมรรคผลและพระนิพ涅槃 นั้นท่านอ่ะเป็นผู้ที่ตรึกอยู่ในแตกมหาปริสาวิตรเนี่ยนะว่าท่านจะเจริญความมักน้อยให้มากขึ้นได้อย่างไรสันโดษไม่คลุกคลีปราโรคความเพียรอนะท่านเป็นผู้ที่ปราโรคศรัทธาจะเจริญได้อย่างไรวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นคุณธรรมทั้งหลายจะงอกงามไพ่บูนบริบูรณยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างไร หรือมีอัธยาสาัยในการสร้างบารมีสิทธิมีอกัธยาสาัยในการสร้างอุปปารมีปรามทัปารมีอัธยาศาัยในประพฤติจริยาสามประพฤติสงเคราะห์เกื้อกูลแก่โลกประพฤติสงเคราะห์แก่ญาติประพฤติข้อปฏิบัติแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์จึงได้แต่สรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจึงคู่ควรที่จะเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายควรที่จะเป็นผู้บอกผู้กลา่าวผู้แนะนําสั่งสอน แกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสิ่งเหล่าใดที่พระองค์บอกกล่าวสั่งสอนโอวา่าสิ่งเหล่านั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุขแก่สัพพะศาทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพราะการที่เราได้รับภาษาสดาเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นลาบของเราแล้วเนี่ยนะที่ได้ศาสดาดีขนาดนี้เป็น สรณะเนี่ยนะที่เรียกว่าพุทธังสารณังคัชชามิเนี่ยนะมันก็จิตของเราเนี่ยชื่อว่าฝากไว้ในที่ดีที่ที่สุดแล้วควรจะฝากจิตอั้นที่เหลือที่สุดทํำยังไงจะให้ใจของเราเนี่ยโครจรไปในคุณของพระพุทธเจ้าให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อใส่ใจในพระพุทธทานพระพุทธคุณอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เลื่อนว่าแล้วพระองค์สอนอะไรจะได้ใส่ใจในพระธรรมของพระองค์ว่าพระองค์นั้น บอกเราอะไรให้เราคิดอะไรในที่สุดเราก็จะคิดเช่นกับอริยะสาวกทั้งหลายท่านคิดเราก็จะคิดเช่นกับผ้าเรียเจ้าทั้งหลายถ้าเราคิดเหมือนกับผ้าเรียเจ้าทั้งหลายได้เมื่อไรเราก็เป็นผ้าเรียเจ้าได้ถ้าเราคิดไม่เหมือนผ้าเรียเจ้ายังไงมันก็ไม่เป็นเชื่อเถอะถ้าไม่คิดแบบเดียวกันยังไงก็ไม่เป็นเพราะอริยะวงเนี่ยมันเป็นเรื่องของรอริยะวงนะท่านบอกว่าผ้าอริยะที่เคยเมรีมีมาแล้วในอดีตท่านก็ทําอย่างนี้ พระอริยะที่จะมีต่อไปในอนาคตท่านก็ทําอย่างนี้พระอริยาเจ้าในปัจจุบันเนี่ยนะปัจจุบันพระอริยาเจ้าทั้งที่เป็นมนุษย์เป็นภูมิมะเทวดาเป็นเทวดาชั้นจาตุมยามาดาวดึงดูสิตเป็นต้นเนี่ยเทวดาจนถึงพรหมโลกท่านเหล่านั้นก็โคจรใน พ, พุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณท่านคิดเหมือนกับพระอริยาเจ้าท่านจึงได้เป็นพระอริยาเจ้าแล้วเราคิดอย่างไรจึงจะได้เป็นพระอริยาเจ้าต่อไปใน อนนคนอันนี้แหละที่เราจะต้องทำทำใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทตั้งตนเอาไว้โดยความไม่ประมาทเนี่ยนะเพราะความไม่ประมานี่แหละที่จะช่วยให้เราทั้งหลายพ้นจากทุกได้แต่ก็จากการไปไหว้พระาธาตุหลายๆครั้งเนี่ยนะการที่เราศึกษาคําสอนอย่างนี้อนนัในช่วชีวิตเราก็ถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายในสังในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่า โคดมเนี่ยนะก็ถือว่าแทบจะโอกาสสุดท้ายของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้แล้วเพราะอะไรเพราะวบำมาป่านนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ า, าแผ่นดินไทยที่ศึกษาใส่ใจและคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยก็ไม่มากที่อยู่กับคําสอนของพระพุทธเจ้านี่จริ ง, รงๆแล้วไม่มากอยู่กับพุทธคุณนี่ก็ไม่มากธรรมะคุณสังกคุณก็ไม่มากพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติก็เจริญกันได้บ้างตอนําวัดเช้าทําวัดเย็นเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่ง ศีลก็สมาทานกันบ้างเล็กๆน้อยๆเมื่อสัตทินศีเจริญไม่ได้ศีลก็เจริญไม่ได้เมื่อศีลเจริญน้อยวิริยินสีก็น้อยสตินสีก็น้อยสมาทินศีก็น้อยปัญญินสีก็น้อยพระองค์ก็บอกอยู่แล้วว่าทำอันเลิศไม่ได้ตรัสรู้ด้วยทำอันเลว